เ ร, ราก็ได้สวดบทที่เรียกว่าธรรมาจักกับวัฒนสูตร น, นะเรียกว่าเป็นประสูตรบทรแรกที่พระพุทธเจ้าท่า น, นได้สอนให้แก่สรสรพสสารนะที่จริงไม่ได้สอนเป็นแค่เป็นแค่ว่าขี่เท่านั้นหรอกเพราะว่าํำสอนนั่ก็ยังยาการสืบต่อไปาจนถึงพวกเราด้วยนะ แล้นะ ค, คือก็เป็นคันสอนครั้งแรกนะของพค้ชเจ้าสิ่งที่สำคัญเจอานะท่านย้ำเนาะว่าทางทางที่ไม่ควรเดินนะหรือว่าทางสุดโต่งสองทางนะก็ ค, ะคืออย่างหนึ่ง น, นะคือการที่เราบกมุ่นนะในการมักุณ ในความสะดวกสบายในความพอใจในความเพลินในอารมณ์ต่างๆนะมันไม่ใช่ทางที่ออกจากความทุกข์กนะ็มาก็เชื่อว่าหลายคนในโลกเว น, นี้ก็ยังเดินทางนั้นแ่นะก็คือว่าคิดว่าทำในในนี้นําชีวิตเราตจะมีความสุขมากที่สุดนะก็เลยเปิด เ, เชีวิตเราด้วยความสุขนะแต่ก็เสน่หก็คือความสุขทนะาง ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าใจนแต่มันก็กยังไม่ใช่ความสุขแบบสมุงบนะแต่เป็นความสุขเหมือนเหมือนพอใจที่จะได้พอใจที่จะมีพอใจที่จะไสัมผัสอัอ น, นี้สี่คนหลายคนก็เลยเที่ยวสแสดงหาความสุขแบบนั้นเนาะหาเงินหาอพเอเพื่อเพื่อความสุขแบบนั้นอ ก็ต้องระวังนะบางทีความสุขแบบนี้แหละก็มันทำให้คนติดยึด น, นะอยู่กับโลกหรือว่าแข่งแย่งชิงกันในโลกนะี้เยอะแยะมากมายนะมันอาจจะรวกถึงความสุขที่ปานี้ขึ้นอีกก็ได้นะเป็นความสุขจากสมาธิเป็นะความสุขจากความสงบที่เป็นสมถะนะที่ยังไม่เกิดปัญญา เหมือนกับฤาษีขี่ภัยที่เข้าสมาธิเเก่งนะแต่ก็นะถ้าเสียชีวิตไปขณะที่นะทรงเข้าสมาธิอยู่ก็าอาจจะเกิดเป็นเป็นพรมนะเป็นพร ม, นะมนรกนะในชั้นต่างๆแล้วแต่อํานาจของสมาธินะเป็นพรมที่มีรูปบ้างเป็นพรมที่ไม่มีรูปบ้างนะแต่มันก็ เนื่นช้านะแล้วก็ควรจะกลับมาเกิดอีกทีก็นานมากนะอย่างตอนพระพุทธเจ้าท่านตัดสูนะท่านก็คิดถึงครูที่สอเนเรื่องสมาธิของท่านนะะก็พอพอคิดถึงพอรู้สึกได้ว่าเออเราตัดสดูแล้วก็ปรากฏว่าครูของท่านก็เสียชีวิตไปก่อนลน ะ, ะท่านก็อุทานนะทิพหายแล้วนะ คิดหายก็คือว่ามันค้าเหมือนท่านเหล่ า, น, า น, นั้นต้องไปเกิดอยู่ในภพนรกนะที่เป็นกระลูปกระมเนี่ยต้องมันเนิ่นนาบบ น, นาบตรตรศาส น, นาที่เราเคยแพร่กันเนี่ยก็หมดไปไม่รู้อีกสักเท่าไหร่ในพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์อื่นที่จะมากับสน์รู้คพเหล่านั้นก็ยังไม่กลับมาเกิดได้ซ้ำเลยนะคือมันก็เนิ่นช้ามากนะเพราะว่าอะไร ความสงบเนี่ยมันก็เป็นมันเป็นความคล้ายๆล้ายนิ่งๆว่างๆเฉยๆนะแต่มันไม่ได้เกิดปัญญาดังนะนั้นเวลาปฏิบททัติธรรมเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเพื่อเน้นเอาความสงบถ้าเป็นความสงมบที่มันไม่รู้ตัวนะถ้าเป็นความสงบแบบแช่แบบเฉยแบบอืมเหมือนเราพักผ่อนสบายมันคล้ายๆเรานอนหลับนะ เมืเรานอนหลับมันมันก็รู้สึกสบายมันได้พักผ่อนแต่ถามว่าถ้านอนหลับอย่างเดียวแล้วมันมันทําอะไรได้หรือเปล่าก็ทําทอะไรไม่ได้นะใช่ไหมก็จิตมันก็แค่ได้พักแต่พอพักระยะักก็ระยะหนึง่งมันก็ต้องตื่นขึ้นมาแต่ก่อนนี้มาก็เคยทํากํรรมทางแบบนั้นแต่จริง ครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนแบบนั้นนะแต่เราอาจจะทำํทำทําไม่เต็มเองนะมันก็เลยได้แค่ความสงบนะอย่างแต่ก่อนไปฝึกแบบพุทธโธบ้านนะแบบภาณาภานาสติบ้างนะเราก็ตามลมหายใจนะครับการบริกรรมพุทธโธ่ะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทบ้านนะก็ได้ความสงบนะแต่เป็นความสงบแบบ ดับสบายนะเอาแบบวามสงบแบบที่ว่าเอาให้นอนดับดีๆหรือเป็นความสงบที่คิดว่าตอน น, นเด็กนะเราคิดว่าจะได้ความจำดีเรียนหนนะังสือเก่งนมันก็เกิดประโยชน์บ้างอยู่หรือว่าพอฝึกแบบอนาปานาาสติไม่ต้องเอาคำารริกรรมเพียงแค่ตามลมหายใจเข้าไปแต่มันก็งนะ่ายเนาะเวลาถ้าเราเา น, น แบบอนาปานสติแบบทีอ่อย่างส่วนโมเขาสอนเนี่ยมันต้องนั่งคัมมาทิเพนะเขาเจ็บขานะหรือว่ายุงกัดนะหรือว่าทําไปแล้วเขาฟุ้งซ่านกนะว่าจะผ่านกว่าจะผ่านความอดทนจากความเจ็บความอดทนจากยุงกัดกว่าจะผ่านนะความฟุ้งซ่านได้โดยการที่เราพยายาม ตามแนบลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเราเอาจิตไปแนบเลยนะแนบกับลมหายใจไม่สนใจอย่างอื่นมันก็ดีได้แค่เพีแค่ความสงบิใจนะมันก็สงบสบายตัวเบาตัวลอยนะเป็นี่ไม่ใค่เกิดอ่ะมันก็ดีเหมนกันก็แต่มันต้องเป็นนิมเคลียร์แบบตัวเบาตัวลอยสบาย แต่พอสักพักมันก็ต้องออกมามันก็ไปตอไม่เป็นเหมือนกันไม่รู้ว่าเออเราก็คิดว่าแต่ก่อนคิดว่าพอมันสงบแบบนั้นแล้วเดี๋ยวมันเหมือนจะปิ้งขึ้นมาเองนะเหมือนปัญญามันจะมันรู้ทำของมันเองนะแต่จริงสงบแบบนั้นไม่เกิดปัญญานะเคยทํามาไหลานะหลายครั้งหลายคนแล้วก็มันนิ่งๆเฉยๆมันไม่ใช่ว่าปัญญามันจะล่องลอยเข้ามา ตอนที่จิตมิ่งมิ่งแบบนั้นนะแต่ก่อนไม่รู้คิดว่าเนะี่เราทําสมาธิแบบนี้เดี๋ยวปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองแต่จริงมันไม่เกิดนะมันมีแต่จะทําให้เราติดนะทําให้เราติดความสงบทําให้เราพอจะนั่งสมาธิเมื่อไรเราก็อยากจะนั่งให้มันสงบแบบนั้นดนะีวันไหนนั่งแล้วไม่สงบเราก็ไม่ชอบวันไหนนั่งสงบเราก็ชอบนะ แต่มันก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้นานแบบก็พยายามที่จะประคองพยายามที่จะรักษาแต่มันก็ได้ไม่นานแับเพราะว่าพอเรากลับมาทำกิจวัตรต่างๆมาเจอผู้คนมาทำการทำงานความสงบแบบนิ่งๆ น, นะรักษาได้ยากมากมนเนื่อาะว่ามันต้องแบบอืม แค่แต่ไม่ต้องพูดคุยแค่แต่ต้องตามลมหายใจตลอดมันถึงจะบอบคล้องได้แต่มันก็เป็นตัวรักษาที่ยากมากอันนี้ก็คือความสบบที่บางทีมาว่ามันก็ชวนให้คนติดนะ่ะวนให้คนติดแต่มันไม่ใช่ทางที่เกิดปัญญาหรือทางหนึ่งนะเรียกว่าทางที่ทาตนให้ลาบากนะทำตนให้ลาบากไม่ใช่ว่าเราจะต้องไป อ, อดข้าวอดน้ําเท่านั้นนะทำร่างกายให้ลาบากนแต่ที่จริงหลักจริงๆน่าจะเป็นการทําใจให้ลําบากทําใจนห้ลำบากก็คืออะไรทําให้จิตใจมันเคร่งเครียดทําให้จิตใจมันอึดอัดทําให้จิตใจไม่สบายเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วถ้าจิตใจไม่สบายจิตใจมันเคร่งเครียด ก็ไม่ใช่ทางนะให้รู้นะอืมมันเป็นมันเป็นทางที่มันเกิดทุกข์นะปฏิบัติทางแล้วจิตใจต้องต้องสบายต้องเรียกว่าผ่อนคลายมันถึงจะเกิดสมาธิที่จริงพอเราทําแล้วมันสบายสงบนะมันถึงจะเกิดเนะี่ยจิที่เป็นสมาธิจริงๆนะเหมือนเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขเราทำเป็นเตือนะ สมาธิมันก็มาเองนะอย่างเทาาสมาธิแบบโลคๆเนะเราวาดรูปจิตนะเราจรัดจ่ออยู่การวาดรูปนะมันก็มีสมาธนะิไม่ได้ปมุงสร้างไปที่อื่นนะเราทำอะไรก็แล้วแต่เราอ่านหนังสือเราก็อยู่กับการอ่านจิตนะใจก็เป็นสมาธิในการอ่านหนังสือแต่นั้นก็คืมมันก็ยังเป็นสมาธิที่เราอาจจะ เอาอารมณ์ไปอยู่กับสีภายนอกนะแต่สมาธินะที่เกิดจากการนะที่เราเอาอารมณ์มาอยู่กับกรรมฐานที่เรากำลังทำอยู่นะมันจะเป็นสมาธิที่ที่อยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆนะเป็นสมาธิที่จิตมันมันไม่วอกแวกไปที่อื่นนะหรือวอกแวกไปก็กลับมาได้นะมันมั่นคงอยู่ มันก็ต้องั่นคงแบบรู้ตัวนะไม่ใช่แบบบดึงตัวอย่างที่ว่าที่จะมาทำในตอ น, นแรกก็คือว่ามันก็แค่เบาสบายสงบนะแต่ก็ไม่ได้เกิดปัญญาขึ้นมาแต่สมาธิก็คือว่าจิตมันระลึกรู้อยู่กับตัวหรือว่าตอนไหนที่จิตมันเผลอออกไปมันก็รู้ทันได้เร็วนะมันก็ตามทันว่าเออมันเผลอออกไปแล้วเนาะ นะมันรู้แบบนั้นแหละรู้รู้แบบเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงนะพอสมาธิมันมันชัดเจนขึ้นแม้แต่ร่างกายนะแต่ก่อนเรารู้จับในแรงบวดที่มันจะยากนะเคลื่อนไหวมือก็ดีเดินสังคมก็ดีพอจิตเป็นสมาธิมากขึ้นอนะ อิริยาบถของร่างกายที่เล็กนิดน้อยนะมันก็จะรู้สึกเข้ามาเองนะบางทีก็ลมหายใจเบาๆมันก็รู้ตัวของมันนะกับทิตาก็มีหรือแม้แต่บางคนก็สัมผัสได้ว่าเหมือนเต้นเลือดในร่างกายมันไหลแบบไหนนะฝนมันลุกมันชันแบบไหนอหัวใจเต้นนะจังหวะไหนมันก็รู้นะ แต่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปพยายามจะไปดูทีละส่วนนะไม่ใช่ว่าเราต้องพยายามไปดูหัวใจเต้นพยายามที่ไปดูเลือดไหลไปดูขนนะแต่มันก็คือมันรู้แทกของมันเองนะมันก็พอจิตมันละเอียดขึ้นนะอาการที่มันละเอียดขึ้นมันก็รู้ของมันเองนะอันนี้คืออาการของกายนะแต่เราไม่ทราบว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นทุกคนนะ มันก็ แ, แล้แต่แต่ละคนมันจะรู้หรือบางขณะมันก็รู้บางขณะมันก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไหนหรแหละเพราะที่จริงจุดจริงจรคือเราฝึกนะอย่างเราฝึกมีสติรู้ตัวเนี่ยเพื่อให้มันรู้ทันเวลาอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเนี่ยมันรู้ทันเพราะการที่ถ้าจิตมีสมาธิจิตมีสติเนี่ย เพื่อเราต้องย้อนกลับมาให้ทันกิเลสนะเพราะว่าความทุกข์จริงๆนะเหตุมันก็คือความอยากในจิตใจนี่แหละเมื่อมันมีความอยากมันถึงเกิดกิเลสนะต่างๆนาๆนานันะ่นแหละนะเพราะเราไม่รู้ทันนะกิเลสนะในจิตในใจน่หละมันก็เลยเกิดความทุกข์นั้นสติปัญญาที่เราฝึกนะเราภาวนาเพื่ออะไร เือย้อนกลับมาเห็นเป็นจิตเห็นใจนี่แหละนะแต่ต้องเห็นผ่านเนี่แหนะผ่านการมีสติสมาธินะถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราจะเข้ามาจ้องดูกิเลสดูความคิดดูจิตดูใจตรงๆเนะี่ยมันจะดูไม่ได้มันจะโดนมันจะโดนน่ารักเนะีมันจะถลําเข้าไปดูเนะีเหมือนกับคล้ายๆเหมือนถ้าเราว่ายน้ําไม่เป็นเนาะ เราอยากจะไปดูปลาในน้ำอยากจะไปดำน้ำดูปลาารังดูดอกบัวใต้น้ำอะไรก็แล้แต่เราจงว่ายน้ำไม่เป็นนะเราวุดเข้าไปในน้ำนะมีแต่งจมนะมีแต่งจมมีแต่ตายนะมันต้องฝึกให้ว่ายน้ำเป็นก่อนถึงจะวุดเข้าไปดูได้นะมันถึงจะเห็นได้แบบที่เอาตัวรอดได้นะนั้นจิตใจเนี่ยมันเป็นติดที่ละเอียด จิตใจเป็นสิ่งที่มันมันมันก็หอกได้ง่ายนะการจะไปดูจิตดูใจโดยที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิเนะี่ยมันจะกลายเป็นแทนที่เราจะดูนะแต่เรากลายเป็นผู้ผู้คิดเองนะหรือว่าผู้ที่เชอ่อในอารมเองนะมันไม่ได้เป็นการดูนะแต่มันเป็นการเข้าไปอยู่นะแล้วการดูความคิดนี่ไม่ใช่ว่าเรา ต้องไปคอยสกแกนหาว่าตอนนี้มันมันมีอารมณ์อะไรเนาะเมื่อไหรที่เราพยายามที่จะหานะก็คือการถล่มเพล่ะนะถล่มเขาไปอยู่กับเขาแ ล, ล้วถล่มเขาไปดูเขาแล้วแต่การดูนะดูจิตโดยใจผ่านเนะี่ยเรามีกรรมฐานสักอย่างนะึงเช่นกายที่เคลื่อนไหวแบบเนะี้พอพอเรารู้สึกกายที่เคลื่อนไหวนะ มันเป็นการคล้ายๆเหมือนล่อนะจิตใจมันไม่อยากที่อยู่ที่งๆไม่อยากที่จะรู้สึกแค่กายขึ้นไปฉะนั้นแหะกิเลสมันก็จะเดือดร้อ น, รนกิเลสมันก็จะคอยโผล่แทรกเข้ามาเป็นความคิดก็ดีเป็นอารมณ์ก็ดีมันจะแทรกเข้ามาเมื่อมันแทรกเข้ามาเนั่ยแหละเราเคยรู้ทันนะเราก็รู้ทันมันเราไม่ต้องไปพยยามตั้งใจที่จะดู ไม่ต้องพยายามที่จะตั้งใจบังคับให้รู้แต่กายอยงเดียวเลยอนะถ้าตั้งใจที่จะบังคับไม่รู้แต่กายอยงเดียวมันมันจะเป็นสมถะได้ง่ายๆเนาะนะรู้แบบสบายสบายอย่าไปอย่าไปจ้องอย่าไปบังคับว่ามันจะต้องรู้ชัดชัดรู้ตลอดเวลานะเพราะจีิเราควรที่จะแบบนงะรู้แบบสบายๆนะเพื่ออะไรเพื่อกิเลสเกิดขึ้นในทิตให้มันรู้ทัน ตัวนั้นแหะจะเป็นตัวนะที่เราเห็นว่าโที่จริงเหตุของความทุกข์เนี่ยมันเกิดในจิตในใจนี่เอง น, นะมันไม่ใช่เกิดจากคนอื่นเขาว่าคนอื่นเขาทาร้ายหรือว่าคนอื่นเขาจากไปเลยเหตุของความยึดมัน่นหรือมั่นในจิตในใจของเรานี่เอง น, นะว่าเราอยากว่าเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นี่เองมันคือเหตุของความทุกข์มันเลยมันมีความอยากมีความไม่อยากนะ มันเลยกลายเป็นความโกรธความรักความชัง่งนะมันตามมาเพราะว่าความอยากไม่อยากในใจของเรานีเองนั่นะพอเรากลับไปเห็นเหตุนนะมันก็รักเสียรักอะไรรักความอยากนะความไม่อยากถ้าจะว่าภาษาแบบง่ายๆพวกเราก็คือรักความคาดหวังนะเมื่อเราคาดหวังสิ่งใดนะมันไม่ได้อย่างสิ่งที่คาดหวังมันก็มันก็เด้เป็นทุกข์นะ เมื่อเราคาดหวังที่แต่ไม่อยากอะไรแต่พอสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเราไม่อยากให้คนที่เรารักแก่เจ็บตายแต่เขาก็แก่เจ็บตายมันก็เป็นทุกข์แต่จริงถ้าเรามองว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคนที่มีปัญญาเนะี่ยจะตั้งรับแบบนี้ว่าเช่นสมมติว่านญาติพี่น้องอของเราเปลี่ยนชีวิตน่ คนที่ไม่มีปัญญาก็คอยแต่ตีโพยตีพายว่าทําไมทําไมถึงต้องเกิดกับเราด้วยนะทำไมต้องเกิดตอนนี้ด้วยอะไรแประมาณนี้นะแต่ถ้าคนที่มีปัญญาเนาะมันจะไม่ถามว่าทําไมต้องเกิดแต่จะกลับมาดูเลยว่าตอนเนี้ใจยันรู้สึกแบบไหนนะถ้าใจยังรู้สึกอะไรเอาบอรู้สึกทุกข์อยู่ก็อยอมรับนะ ว่ามันทุกว่ามันอะไรอไวัยวะแต่ยอมรับแล้วถ้าจิตที่มีสติจริีพอยอมรับพอรู้ตัวจัดเจ น, นนะอารมณ์นั้นก็จะคลายไปนะัคลายไปแต่พอขาดสติอาจจะกลับมาคิดถึงเขาอีกนะก็จะกลับมาทุกข์อีกนะพอกลับมารู้ตัวมันก็จะคลายไปนะัคลายไปเจรละขณะเจละขณนะนัมันเป็นสภาวะจิตที่มันระดับกันเกิดขึ้นนะ แต่มันจะทําที่เราพอกับมันเห็นบ่อยเห็นว่าอะไรเมื่อเราเห็นว่าไม่ว่าจะทุกข์ขนาดไหนเนาะพอเรารู้ทันเน่ยมันก็คลายไปได้มันก็วางได้แล้วมันก็ไม่มันก็ไม่เที่ยงหรอกนะแล้วก็ถ้ามีใครพูดอะไรไม่ถูกใจแล้วเราก็โกรธมันก็ไม่เที่ยงนะมันก็สลับกันไปสลับกันมาแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราจะเข้าไปคิดเนี่ยคิดหาเหตุหาผล คิดเพราะความไม่ชอบคิดเพราะความชอบนแบบ่ยแหละมันก็ได้เกิดเป็นความทุกข์ที่มันมันยาวขึ้นไปเรืเนะ่อยๆเนี่ยคือเราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิเนี่ยนะเราจะเห็นอ๋อมันเป็นแบบนั้นของมันเองเนาะไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอารมณ์นะแต่อย่าคิดว่าเราปฏิบททัติธรรมแล้วมันต้องแบบไม่มีความโกรธไม่มีความรักไม่มีความชังไม่มีอะไรต่างๆเลย นะถ้าเรายังไม่ถึงขั้นเป็นพระอรหรันตะ์สรจีนนะมันก็ยังไม่เป็นเช่นนั้นหรอกเนะแต่มันมีแต่มันไม่เป็นนะมันมีสภาวะเช่นมันมีความโกรธ แ, แ, แ, นะแต่เราไม่เป็นทุ้งโกรธแบบนี้ทำได้นะมันมีสภาวะที่มันทุกข์แต่เราไม่เป็นคู้ทุกข์นะนะสติมันจะเป็นแบบนี้นะนะมันมีสภาวะนะมีความคิด แต่เราไม่เข้าไปเป็นผู้คิดเนี่ยสติจะเข้ามันเป็นกลายเป็นผู้ดูที่แยกเนียแยกกันถ้าคล้ายๆเหมือนกับห้องนะห้องมันติดกันนะกั้นกระจกไว้เห็นกันอยู่นะแต่มันอยู่บนห้องกันนะกั้นกระจกไว้ห้องนั้นเขาจะทำอะไรก็ไม่กระทบถึงเรานะเราอยู่บนห้องกันนะคือมันแยกกันอยู่แบบนั้นเหตุที่มีสตินะถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆมันจะเห็นออื มันก็เป็นเพียงแค่สภาวะหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับคิตกับใจอันนี้แหละคือคือมัเที่เราต้องจเจริญ น, นะอนริยมักมีองค์แปดเหมือนที่เราได้สวดเมื่อวานตอนเย็นนะ่ะมันต้องควบคู่กันไปหมดเลยน ะ, นะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นทั้งถึงสัมมาสมาทิสัมมาก็คือสิ่ที่มันถูกต้องสิ่งที่มันชอบทำนั่นสัมมา ถูกต้องชอบทำนะไม่ได้ถูกใจนะนะถูกทำนะถูกทำนะก็คือว่าคิดอย่างไรถึงจะเป็นความคิดที่ชอบนะเห็นอย่างไรเป็นความเห็นที่ชอบนะนะบางทีมันก็ต้องระวังนะบางทีอย่างเช่นความคิดความเห็นของเรานะความเห็นเห็นสิ่งไหนเป็นทุกข์เห็นเหตุของความทุกข์เห็นนะทางดับทุกข์นะ เห็นแล้วว่านความัทุกข์กเป็นเช่นไรนี่ยมันต้องเห็นให้ชอบนะแต่ส่วนใหญ่พอเราเห็นเนี่ยเพราะอ้ไรเรามักจะสแสดงหาแบบแต่ความสุขเนาะแต่จริงพระเจ้าสอนที่เรารู้เตียนรู้จักความทุกข์ไม่ต้องไปเที่ยวหาความสุขนะถ้าเมื่อไหรที่เราคอยเที่ยวหาความสุขเนี่ยยิ่งมีแต่ความทุกข์เพราะอะไรมานเป็นการสแสดงหานความสุขเนี่ยเหมือนเราต้องคอยสแสดงหา คอยตามหาคอยไข ว, ว้าเข้ามาให้ได้แต่ยิ่งไข ว, ว้เ้ายิ่งต้องการเนี่ยยิ่ทุกข์ใช่ไหมเหมือนเราอยากจะให้ใครทุกคนรักเราเนะีเรายิ่งต้องการเขาเนะี่ักกลับมานี่ยิ่งทุกข์นะเพราะเราคาดหวังจากคนอื่นแต่การมาเรียนรู้จากความทุกข์เนะี่ยเรากลับมาเห็นเลยว่าความคาดหวังของเราเองเป็นเหตุองความทุกข์เราวาง เหตุของความทุกตรงนั้นได้เนะี่ยเขาจะรักเราไม่รักเราก็าไม่ใช่เรื่องที่ใจจะทุกเลยนะเพราะเราวางความคาดหวังของเราได้นะแต่เราจะรักใค ร, ราจะทำดีกับใครล้วก็ทาไปแต่ไม่ต้องไปไปเติมความคาดหวังว่าทำดีกับเขาแล้วเขาต้องดีกับเราต่อให้ความรักเขาแล้วเขาต้องรักเราต่อเนะอะไรต่งตางๆไม่ต้องเนะเราเพียงแค่ทำเพีง เราเพียงแค่ทำสิ่งที่เราเห็นว่ามันดีสิงที่สมควรแต่เราไม่ต้องมีคาดหวังว่าจะต้องได้อะไรเลยนี่คือพอเราย้อนกลับมาเห็นว่าที่จริงความทุกข์นี่คือความคาดหวังความอยากความไม่อยากนในจิตใจของเรานี่เองเป็นเหตุนะพอกลับมาเห็นเห็นทุกข์ในใจนะพอมันวางตรงนั้นได้ น, นั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงนะเป็นความสุขที่ไม่ต้องแสดงหานะ แต่เป็นความสุขจากคามที่วางที่ปล่อยนะที่รู้ทันเนี่ยมันก็เลยเกิดการปล่อยเกิดการวางได้มันก็เลยเกิดจิตที่เบาเกิดจิตที่สบายนะเกิดจิตที่รู้ตัวอันนั้นจิตตัวนี้แหละคือความสุขที่แท้จริง น, นะเป็นความสุขจากความไม่ทุกข์นะมันเป็นความสุขที่แท้จริงมากกว่าอันนั้นคือเราต้องเห็นนะอดีญจารสเนี่ยฝึกให้เห็นนะ อย่างที่เราสวดทุกคือสีที่กำหนดรู้คือสีที่ต้องเรียนรู้กำหุดใยคือสี or ที่ต้องละนิโรธคือสีที่ทาให eno, ้แจ่มทาให้แจ้งคือทาให้ปรากฏมัดคือสิที่ต้องเจริญเจริญคือทาให้มากเจริญคือทาให้เยอะๆทาให้มากๆเมื่อเราเจริญมากให้มากๆนิโรธก็ปรากฏขึ้นมา ทุกขระเออทุกข์ก็รู้นะ่ะสมุทัยกร็รักินไปอันนี้คือเราทำเนะี่ยเขาเรียกว่ากิจในอริยสัจทั้งสี่นะต้องทํากิจก็คือทําหน้าที่นะกิจก็คือหน้าที่ทําหน้าที่ที่ถูกต้องนะแต่พอเราหลายคนเขาปฏิบัติน่ยทุกข์เนี่ยเราไม่อยากรู้ทุกข์เนี่ยอยากจะหนีใช่ไหมอะไรเกิดเป็นความทุกข์เนี่ยเราอยากจะหนีเราอยากจะหลบไม่อยาก ไม่อยากอยู่ไม่อยากเรียนรู้มันหรอกทุกทุกใจไม่แต่จริงทุกเมื่ออะไร่ถิดขึ้นนะ้ต้องเรียนรู้มันนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะั้นเรียนรู้มันเมื่อเราเรียนรู้จากสภาวะทุดดกข์ได้ดเราประเดชิกเหตดของความทุกข์ม่อขึ้จนจะละได้นะฉะนั้นทุกเนี่ยควรต้องเรียนรู้ฉะนั้นอในการปฏิบัติธรรมก็ดีในการใช้ชีวิตก็ดีนะถ้าเราไม่เรียนรู้ทุกเนี่ย เราก็จะไม่สามารถที่จะแก้ ى, ความทุกข์ิชัยได้แล้เราเป็นสแสดงหาความสุขนั้นก็เป็นแค่ความสุขชั่วคราวนะเป็นการหนีเราหนีทุกข์หลบไปดิชยัยนะแก้ตัวออกไปดิชหรือว่าพักร้อนดชิชนะแต่พอกลับมาก็ทุกข์เหมือนเดิมนะนั่นเราต้องเรียนรู้มันนั้นถ้าปฏิบัติ ท, ทํานั้นมันทุกข์บ้างเนี่ยก็ดีนะเอนะแต่ไม่ใช่ว่าทําพื่อเองทุทกข์นะ มันเป็นสภาวะที่มันทุกข์ของมันนะไม่ใช่ว่าเราไปทําให้มันทุกข์นะต้องต้องแยกตรงนี้ให้ถูกนะเช่นเราไปเพ่งเงเราตั้งใจจนไปเนะี่คือเราทําให้ เ, เองทุกข์นะเนะี่ยอันนี้คือมันวางใจได้กิจนะแต่ถ้ามันทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเองนี่ะเออเรียนรู้มันเลยนะหรืออย่างที่ว่าแม้เราทําให้มันทุกข์มันก็กลับมาให้เห็นว่าเออ เราวางใจไม้ผิดเราตั้งใจมากเกินไปเราก็แก้ไขล้วก็ผ่อนคลายจิตใจใมันสบายขึ้นะนะอันนี้ก็จะช่วยให้ความทุกข์มันมันดับไปได้นะนะทุกเราก็ต้องทําให้มันให้มันทําให้ถูกนะเราเรียนรู้จากความทุกข์มันถึงจะดับทุกข์ได้นะมันถึงจะดับทุกข์ได้นะเราก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้ยทําตรงนี้ให้มันแจ่มแจ่มชัดไม่ได้นะอนุญาตสัตว์ทั้งสีนะ่นะ ไม่แต่ความคิดนะไม่แต่ความคิดเองเราก็ต้องคิดที่มันถูกนะคิดในการที่แจกออกจากการนะแต่คนส่วนใหญ่ทั้งรุนคิดที่จะเศษแจกตามนะเศษแบบไหนอาหารอร่อยเนี่ยเที่ยวแสดงหาอาหารแต่อร่อยนี่ก็เป็นการเศษตามนะอ่ะเาเศษตามทางทางลิ้นนะใช่ไหมอืมหรือบางทีเราติดในความสบายอือ ต้องอยู่ในห้องแอร์ต้องนั้นอต้องอยู่ในที่สบายเท่านั้นเนี่ความสบายนะอืออ่าพอเราออกไปข้างนอกมันไม่สบายเท่าแล้วก็จิดมันคิดเรืองอยากออกมาห้องแอร์สบายสบายก็คือการติดนะติดอ่ในการเสพการทางตายความสะดวกสบายหรือแม้แต่ความคิดอืออยากติคิดแต่มันคิดแต่ดีๆคิดแต่สบายสบายอย่างเดียว คิดถึงแต่ความสุขอะไรนะก็เป็นการติดนะติดเหมือนกันหรือหรือถ้าเป็นสมาธิที่เป็นความสงบก็เหมือนกันถ้าเราไปติดมันก็คือการติดในความมุ่คุณนั่นแหละนะแต่การปฏิบัติต้องบอกให้คิดออกจากกามเยออกจากกามรู้สึกว่าไม่ใช่ว่ามันมีไม่ได้นะมีได้แต่ไม่ติดนะเข้าใจไหมเออมีก็ไม่ติดนะ มีของกินของใช้เหลือเฟือมีเงินทองมากมายก็ใช้มันแต่ไม่ติดมันใช้มันพอสะัะก็สดระได้ถ้าสังเกตได้เลยถ้ามันจะดูได้แต่ไหนว่าเราติดหรือไม่ติดตอนที่มันหายไปตอนที่มันไม่มีนั่นแหละจิดมันเป็นแบบไหนถ้าอะไรอาวอนหรือว่าทุกมากเนีย่ยแต่ว่าติดแต่ถ้ามันติดนั้นหายไปไม่มีก็ได้นะ ก็ไม่ติทุกอะไรหรือว่าทุกน้อยลงก็แสดงว่ามันไม่ติด น, นะใช่ไหมเข้าของเครื่องใช้บางอย่างเนี่ยเราก็ใช้มันอยู่นะแต่พอมันทํามันหายไปเนะี่ยจิตใจเป็นแบบไหนถ้าจิตใจมันก็เออก็ยอมรับเป็นเรื่องธรรมดาได้เออก็แสดงว่าไม่ติดละออันนี้คือเราก็ประเมินดูตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้ามีใครต้องการเรา ส, รสามารถสรนได้ไม่เสียใจไม่เสียใจอะไรอวบนั่นก็คือ เราก็ไม่ติดนะไม่ติดในตรงนั้นนะมีตําแหน่งหน้าที่คนเปลี่ยนกันนั่งเปลี่ยนกันสลักลงไปบ้านไม่เป็นไรนะก็คือไม่ติดใช่ไหมนะแต่ถ้าเคยมีแล้วมันหายไปก็ต้องกลับมามีใหม่ไม่ได้เนีแ่แปลว่าติดใช่ไหมอืมแปลว่าติดอะติดอำนาติดเกียรติยศติดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ดูตรงนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเคยมีแล้วมันไม่มี ก็อยู่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยก็แต่ว่ามันไม่ติดนะอันนี้ก็เราก็ฝึกอยากออกจากตามตเรื่อล็กน้อยนะนะทําเรื่องวัตถุ ก, ก็ดีหรือว่าเรื่องจิตใจก็ดีนะมันก็ต้องดูนะไม่แต่เวลาเรามีพ่อมีแม่มีลูกเนาะมีคนรักเนี่ย ม, ม, มันมีความผูกพันมันมีความที่เรียกว่ามันมีความห่วงหาอะไรเอาบอลกัน เราก็ต้องดูมันดีๆนะนะเรารักแล้วมันผูกพันมากมันทุกข์มากนะแต่ถ้าเรารักด้วยการทาหน้าที่รักแล้วนะแม้มีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเราสามารถวางใจไดนะ้มันก็เป็นการรักความูกพันรักพบรักชาติ่อไปเหมือนกันนะปฏิบัติภาวนาเนะี่ยเราก็ต้องวางใจไม่ได้นะเพราะถ้าเราวางใจไม่ได้เนะี่ย เสมอลูตายจากเราไปก่อนเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์หนักในใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่มากใชะอืมแต่ถ้าเราตายจากเขาไปก่อนอ่ามันก็เราหยิบกอดทาใจได้แต่ถ้าเขาจากเราไปก่อนเนี่ยเราจะทุกข์มากเพราะว่าความความรักความผูกพันใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องฝึกกันตั้งแต่นะั้นนะฝึกวางใจมันเออให้มองว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่ เราไม่สามารถที่จะเลือกได้เราไม่สามารถที่จะบังคับได้แต่เราเลือกที่จะยอมรับมันได้ใช่ไหมเราเลือกสิ่งที่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ได้แต่เราเลือกที่จะยอมรับมันได้ยอมรับในวิธีไหนในการเรียนรู้มันเรียนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้จิตใจมันเป็นทุกข์แบบไหนวิธีที่จะแก้ความทุกข์แก้แบบไหนเราเรียนรู้จากตรง น, นี้ไป เมื่อเหตุการณ์แรกมันเกิดขึ้นมาเราได้เรียนรู้มันเมื่อมีเหตุการณ์ที่สองคล้ายๆกันเราก็ใช้เครื่องมือที่เราได้เรียนรู้ตรงนั้นแหละมาทําต่อใช่ไหมมาพัฒนาต่อเหมือนเราทํางานอะไรก็แล้วแต่ทําโครงงารแรกๆอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้เรียนถูกเรียนผิดไปก่อนแต่พออพอจบโครงงานนั้นน เรามีงานที่สองมาทําแล้วก็เอาชุดความรู้จากงานแรกของเรานี่แหละมาทําต่อนะมันก็เกิดการพัฒนาเกิดการต่อยอดเพราะฉะนั้นถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราเรียนรู้มันนะมันจะเกิดเขาเรียกว่าเป็นมันเป็นปัญญาในน้อยนะ่ะเป็นปัญญาที่เราได้เกิดจากการศึกษาศึกษาความทุกข์เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมาอีกเราก็ใช้วิธีการนั่นแหละในการรับมือในการแก้ปัญหาของ ในการออกจาบความทุกข์อันนี้คือการภาวนาวิธีหนึ่งนะเป็นการที่เราเอาสติเนี่ยแหละมันเป็นตัวศึกษาเออเมื่อเราดูแล้วเออมือนไม่ทุกข์เนาะเราก็เกิดความมั่นใจว่าถ้าเราแค่ดูเฉยเฉยเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่อาการเมื่ออาการนั้นเราเห็นเป็นเพียงแค่อาการทุกอาการมันก็ดับไปมันก็จะไหไปตรงมันเองเนาะเออเราก็เห็นแะนัะมันก็วางไปก็ได้อันนี้คือ เราก็ต้องคิดเนี่ยให้มันถูกนะในการไม่ติดในการในการไม่เบียดเบียนคนอื่นในการไม่เบียดเบียนสิ่งอื่นหรือว่าไม่มุ่งร้ายจอมร้ายอาฆาตไปยาบาทอะไเนี่ยไม่แต่ความคิดนะว่าต้องคิดแบบนี้นะเมื่อเราคิดแบบนี้เองจิตก็มีเมตตาเองเปนะ็นเมตตาเมตตาที่มันมาจากภายในนะไม่ใช่ว่าต้องต้องพยายามเสะแท้งยิ้มหรือว่าต้อง เสียแรงทำดีกับผู้อื่นแต่แม้มีคนทำไม่ดีกับเราเองเราก็ยังมีเมตตาเขานะี่ยยังมีความหวังดียังมีจิตที่ห่วงหรือว่าอยากให้เขาคนจากความทุกข์นะอันนี้สุดจิตมันเป็นอย่งนี้เพราะอะไรเพราะมันไม่เกลียดเรียนเพราะมันไม่โกรธเพราะมันไม่เกลียดเขาเนะี่ยมันก็ถ้าเราจิตคิดในแต่ละวันนะก็ต้องคิดให้เป็นทํานองนี้นะแต่ถ้าภาวนาไปแต่ถ้าใครทาเราโกรธเราก็เกลียดเขาเนี่ย อี ก, ก็ก็ยังไม่ใช่การเดินมากนะยังไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมอันนั้นโกรธก็ได้แต่อยาแต่อยากกดหรือว่าอยากเก็บการโกดธคือเรากยายังควบและเราไม่โกรธอันนี้บางทีพวกคนดีก็มาเหตุแท้ว่าเราไม่โกรธเราไม่โมโหกดไว้เก็บไว้นะแ ต, แต่การแสดงออกตามอารมณ์ความกรก็ไม่ดีเหมือนกันนะ นันเราก็ต้องระวังนะไม่กดไม่เก็บแล้วก็ไม่แสดงตานะแต่เรารู้มันนะรู้มันแล้วก็เอาสติยมาแก้นะบางทีความโกรธเล็กๆน้อยแค่สติรู้ทันมันก็จับไรดัแต่บางทีมันโกรธมากๆเราก็ต้อง เ, ออเติมสติเข้าไปบางทีกําลังไม่พอก็เติมเข้าไปเยอะๆอารมณ์ใจก็แล้วแต่นะความรักความชังความหลมก็แล้วแต่นะบางทีเรารู้แล้วมันไม่ดับ แสดงว่ากําลังประสิทธิ์มันไม่พอนะแค่แค่นะั้นเราก็แค่ทําสติให้มันมากขึ้นทําสติให้มันมากขึ้นเมื่อนกับตายช้างนะ น, นะเ ม, มื่อตายข่างสองฝั่งฝั่งนี้ฝั่งกิเลสมันหนักมากเดินไปฝั่งสติมันไม่พอก็ต้องเติมเติมน้ําหนักฝั่งสติเข้าไปให้มันเยอะเยอะมันถึงจะสมดุลมันถึงจะชนะมันได้เรา่าทำแค่นั้นนะไม่ต้องไปสงสัยว่าไปคิดต้องทําอะไรมากไปกว่านี้ แค่เติมความรู้สึกตัวเข้าไปในชีวิตเนี่ยมันเป็นการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทั้งหมดเยลยนะบรมาวาจาก็เกิดนะอาชีพการงานการทํางานต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ทําผิดศีลไม่ทําผิดธรรมความขยันความเพียรนะก็ไม่ใช่เพียแนะค่ขยัยนะยต้องว่าต้องเดินจกงกรมต้องยกมือสร้างจังหวะเท่านั้นนะนะแต่ความเพียรนมันที่จริงมันอยู่ข้างในนะ เพียรแบบพอดีเนะี่ยมันอยู่ข้างในเราจะทำอะไรก็ได้แต่นะถ้าเราลักิเลสเราจเจริญกุศลนนะี่ยชียว่าความเพียรทั้งนั้นเลยนะเช่นจิตมีเมตตาขึ้นมาเนะี่ยมันก็เรียกว่ามีความเพียรละแต่ถ้าจิตมีความโกรธขึ้นมาแม้็นยกมือตั้งจังหวนะอยู่ก็ไม่ใช่่ารเป็นผู้เจริญความเพียรนะนั้นนะจิตใจเราจะทำอะไรก็ได้แต่นะ ไมว่าจะทําในพื้นแบบหรือนอกพื้นแบบเนะี่ยถ้าเราจเจริญกุศลนะกุศลที่เป็นฝ่ายบวกที่จะทําให้เกิดนะศีลสมาธิปัญญานะเกิดความปล่อยวางนะเนี่ยเจริญได้ทุกอย่างอย่างเช่นทําทานเนะี่ยทํำก็ทําเพื่อศักดิไม่ใช่ทําเพื่อปาณาจนาจะได้ความสุขได้อสิ่งที่เป็นเปรในก้มหน้านะไม่ใช่ทําเพื่อแบบนั้นนะนะทำเพื่อศักดิ์ เห็นคนเดือดร้อนเราสระสิ่งที่เราสระได้ไม่ต้องไปหวังว่าเขาต้องชมเขาต้องมาขอบคุณด้วยซเนี่ยก็คือทำเพื่อสระรักษาสิ่งก็เหมือนกันรักษาสิ่งก็ไม่ใช่ว่าจะประกาศว่าเราเป็นชาวพุทธเราเป็นคนดีแต่เรารักษาสิเพราะเห็นว่าเมื่อเรารักษาสิ่งแล้วจิตมัน ส, บสงบจิตมันไม่เดือดร้อนไม่คุ้สร้านนะ หรือเราซักษาติเพราะว่าเราเห็นคุณในการไม่เบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมเราไม่เบียดเบียนทางการกระทําเราไม่เบียดเบียนทางคาพูดเราไม่เบดเบียนทางความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่มันยิ่งกว่าเลยนะจิตมีเมตตาเนี่ยไม่เบียดเรียนทางความคิดนะจิตที่ไม่หิวช้าปยาบารเนี่ยไม่เบียดเบียนเขานีทางอารมณ์นะแต่บางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนั้นตลอดนะ แต่พอมีสติมันจะเลิกเช่นบางทีก็อิจฉาเขาบางทีก็โกรธเขาบางทีก็ออะไรต่างแต่พอเรามีสติมันก็จะละได้อมันก็จะเป็นศีลโดยอัตโนมัติขึ้นมาแต่จริงถ้าเรามีสติเร็วอ่ะกายวาจาก็ไม่ทําตามความคิดแต่ถ้าเราขาดสติเนี่ยพอมันคิดขึ้นมาแล้วก็เผลอพูดเผลอทํามันก็เลยผิดศีลขึ้นมาฉะนั้นถ้าสติเนี่ยมันจะช่วยให้เรา รักษาจิตนะรู้ทันตั้งแต่ความคิดเพราะนั้นเรื่องกายวาจาเนีมันก็มันก็หลายคนก็ไม่เห็นหลักนะไม่เห็นว่าเออเขาไปทําแบบนั้นว่าไรแต่จริงก็เรามีสติรู้ทันความคิดรู้ทันจิตใจเมันก็เลยไม่ผิดศิลผิดทรรนั้นการรักษาศีลมันก็เป็นการรักษาที่เราเห็นว่ามันเปประโยชน์นะมันไม่ใช่ว่ามันเรื่องฝืนนะ หลายคนคิดว่าสินคือข้อห้ามแต่จริงสินคือข้อที่ควรปฏิบัติมันต่างกันข้อที่ควรปฏิบัติกับข้อห้ามข้อห้ามเนี่ยหลายคนเหมือนเด็กนะข้อยิ่งห้ามก็ยิ่งยุ่ยิ่งห้ามก็ยิ่งอยากแห น, นะยิ่งอยากยิ่งห้ามเผลอเมื่อไรก็จะหาโอกาสทำให้มันให้ได้แต่จริงสินเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะต่อคนอื่นแต่แม้แต่อยู่กับ ตัวของเราเองเราก็ยังรักษาศีลเราก็ไม่ใช่เราคนอื่นไม่เห็นนักแบบตียมดีกว่านะแต่ถ้าอยู่ในกับคนเอเราไม่ตีนะ่ััยอ น, นี่ไม่ใช่แบบนั้นนะรักษาศีลแม้อยู่ผู้เดียวะเราก็เห็นเพราะอะไรเพราะเราเคารพตัวเราเองศีลนี่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปเคารพอยู่ตอนหน้าพระอยู่ตอนหน้าผู้ใหญ่เราถึงรักษานะแต่เพราะเราเคารพตัวเราเองเราถึงรักษาศีล ใช่ไพาะเราก็เป็นคนถ้าเราไม่มองว่าเราเป็นคนเนี่ยเราทําผิดศีลเนี่ยก็คือเราดูถูกตัวเองว่าอนะเราเราแก้งดีต่อคนอื่นแต่เราจะอยู่รับต่างคนอื่นเราก็ไม่ดีเนี่ยคือแตงว่าเราไม่มองว่าเราก็เป็นคนนะไม่มองว่าเราเองเนี่ยคนเป็นคนที่ควรเคารพตัวเองนั้นเราก็รักษาผิดสิ่งใจที่บริสุทธิ์ขึ้นเรืนะ่อยๆะมันก็เป็นการที่ ไม่ต้องต่อหน้าเอา่าต่อหน้าอีกอย่างรับหลังอีกอย่างไม่ใช่เลยก็เหมือนกันนะแต่ถ้าผิดศิลแล้วก็มีสติกลับมานะเพราะที่จริงถ้าเราเห็นว่าศีลเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันต้องแบบอา่ามันต้องเป๊ะๆตลอดบางทีเผลอไปบ้างแต่พอเผลอไปแล้วเราตั้งใจใหม่เรารักษาใหม่ศิลมันก็ใบฝุดกลับขึ้นมาแล้วนะตั้งใจกคือว่าตั้งใจว่าจะไม่ทํา ผิดอีกนะตั้งใจว่าจะทําให้มันดีขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดความมั่นคงเกิดความตั้งมั่นอันนี้ยเรียกว่าอธิษฐานนะอธิษฐานคือความตั้งใจอธิษฐานไม่ใช่คือการขอนะไม่ใช่ขอนะนะขอนั่นขอนี่แต่อธิษฐานเช่นเราทำํำผิดศีลเราอธิษฐานว่าเราจะตั้งใจรักษาอีกนะมอนไม่ผิดแล้วนะเคยเออ เผอเป็นพูดสัญาว่าเออธิษฐานไปจะไม่พูดสัยญาแล้วเออา น, ะเนาะเลยนะอืมอ น, นี่คือการอธิษฐานก็คื อ, คอการตั้งใจตั้งใจที่มันมั่นคงขึ้นอันนี้คือการอธิษฐานมันเป็นบารมีที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อเราทําแบบนี้นะจิตมันก็จะเกิดความสงบสงบก็ใจเราภูมิใจตัวเองภูมิใจที่เราสารทานภูมิใจที่เราช่วยเหลือผู้อื่นภูมิใจที่เรา รักษาศีล ไ, ได้ดีนะหรือว่าปุงใจที่เรารู้ทันกิเลสไม่ ท, ท, าทําตามกิเลสเมื่อจิตมันเกิดความปรุงใจสมาธิมันจะเกิดง่ายมากง่ายเพะอะไรมันคือมันมีความสงบมัมีความสุขอยู่ในนั้นเมื่อสมาธิที่เกิดจากความสุขความสงบแบบเนีน้แล้วเราเจอสติอยู่นะนะปัญญามก็จะเห็นว่าทุกสภาวะต่างๆเนี่ยมันเป็นไปรักเท่านั้นเลย ปัญญาที่เราควรที่จะต้ศึกษานะให้เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความอ่าบังคับบัญชาไม่ได้เลยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทีงมันดูเป็นอาการแบบนั้นนะเออแต่บางทีนักปฏิบัติทำหลายคนนะไม่อยากจะเห็นเป็นไตรลักพยายามที่จะทํำที่มันตรงข้ามไตรลักทั้งหมดเลยนะ มันพุ่งเนี่ยไม่อยากพุ่งอยากจะสุขนะอยากจะจะสุขอยากจะสบายนะะหรือสภาวะมันดีๆแล้วเราก็อยากจะมันให้มันคงที่อยากให้มันไม่เปลี่ยนอยากให้มันเที่ยงนะให้มันสุขแบบเนี้ยตลอดไปนะแล้วก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็อยากจะตัดการเอยากจะบังคับทั้งจิตใจตัวเราเองทั้งคนอื่นอยากให้เป็นอย่ากที่ใจต้องการเนี่ยมันเป็นสภาวะที่มันตรงข้ามกับ กับเรียกว่าไจรักทั้านั้นเลยแต่เราภาวนานะเราเห็ น, นเห็นอาการของกายเห็นอาการของใจให้เป็นไปรักเนีกายมันเปลี่ยนแปลงก็ถูกแล้วกายมันทุกข์ก็ถูกแล้วกายบังคับเป็นชาไม่ได้ก็ถูกแล้วจิตใจก็เหมือนกันนจิตใจมันเป็นทุกข์คำว่าเป็นทุกข์กับการที่ เราทําให้มันเกิดทุกขนี่มันต่างกันเนาะมันเป็นทุกโดยสภาวะทุกข์ก็คือว่ามันไม่สามารถคงทนอยู่ได้มันเลยต้องเปลี่ยนแปลงนะมันไม่มันจะให้อยู่ที่นี่อย่างเดียวตลอดมันไม่ได้มันก็เลยเกิดความคิดบ้างเกิดอะไรต่างๆบ้างมันมันถูกแล้วนะเมื่อมันน่ะมาเห็นไหมว่ามันบังคับไม่ได้มันก็เป็นของมันเองนี่มันถูกของมันละเอ่มันอยู่ในมันมีแสดงให้เห็นตลอดเวลาอยู่แล้วนะ ถ้าเราแค่อื้มันมันก็ถูกมันละเราก็แค่รู้มันศึกษามันเนี่ยไม่ต้องติดทุกกับมันเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเนีเราก็แค่ดูมันแค่ศึกษามันเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะเราพยายามจะเดินในนั้นให้มากๆนะเมื่อเราที่เรามีสติเราจะการเป็นผู้เห็นมันเห็นมันไม่เข้าเป็นเป็นกับมันนั่นแหละอันนี้คือสภาวะที่เราเรียกว่าเป็นนิโรธก็ได้เป็นความไม่ทุกข์ เป็นความเป็นทุกข์ที่สามารถทําได้มันเกิดขึ้นได้ไบ่อยๆไม่ใช่ว่านิโรธต้องต้องเป็นพลาอาหารแต่คือสแสดงสภาวะที่ออกมาจากความทุกข์นะเหมือนเราจมน้ำํำเราโผล่ขึ้นมาบนน้ํามาต่อลมหายใจข้างบนผิวน้ำสักหน่อยเนี่ยก็คือสภาวะทําให้เรามีลมหายใจทำให้ยังไม่ตายขึ้นมาก็พ้นออกมาทีละนิดทีละนิดบ่อยๆ เมื่อเราค้นได้ไบ่อยๆนะเราก็สามารถที่จะปลอดภัยได้นะขึ้นฝั่งได้นะคือจะเดินตรงนี้เนาะนี่พระพุทธเจ้าเพิ่สอนทางให้กับพวกเราแล้วนะมีแต่เราต้องเพียรพยายามเดินตามที่มันมากมากนะเพียรแบบเพียรแบบตั้งใจทำํำที่มันเยอะนะเราทําได้เท่าไหร่มันก็เป็นประโยชน์กับเราเองนั่นแหละไม่ใช่กับคนอื่นนะแต่จริงก็เป็นเกี่ยวกับคนอื่นนั่นแหละนะ ถ้าจิตใจเราสงบจิตใจมันดีจิตใจมันเย็นนะพอยอยู่ใกล้ๆเขาก็คอยสงบคอยใจเย็นคอยใจดีตามไปด้วยเนะมันก็นกนนนนแผ่มาจากข้กางในในจิตในใจของเราเนี่แหละเนาะเราเริ่มต้นจากการที่เราเรียนรู้จากความทุกข์นยเราก็จะเห็นทางดับทุกข์นะเราก็จะดับทุกข์ได้จิตใจก็เป็นความสงบสงบเย็นนะ สงบเย็นเพเข้าใจความจริงเมืนะ่อเรามีความสงมบเย็นเข้าใจความจริงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนี้นะเราก็วางใจได้หรือเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาวางความทุกข์ได้นะด้วยใจที่สงบแต่ที่เย็นนี่แหละเอาไปแก้ปัญหาทางปัญหาทางโรคปัญหาครอบครัวปัญห า, ญห า, ญหาต่างๆล้วก็เอาไปแกนะ้แต่เราก็จะมีปัญญาคอยกำกับว่า เราก็เป kind of ็นไปแก้เหตุปัจจัยนั้นเราก็แก้ไขไปแต่บางทีเรื่องของคนอื่นเนี่ยเขาต้มีเหตุปัจจัยหลายอย่างบางทีเราก็อาจจะแก้ได้ไม่หมดเนาะะแต่เราก็วางใจแด้แล้วเราก็ทำไปเรื่อยทําไปนิดเดยวนะ่ปัญหาบางอย่างไม่ใช่ว่าเราจะแก้ตัวเดียวมันจะจกเพราะว่าทั้งเกี่ยวข้องกับคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเขาอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ปัญหาในใจเราเนี่ย เราแก้ได้เฉพาะตนเลยไม่ต้องรอใครมาช่วยแกนะ้เราแก้กลับมันแก้ใจให้มันเป็นปกติเนี่ยมันก็แก้ได้หมดแล้วเนาะอันนี้คือติดที่พระอาจารย์สอนพวกเราก็ให้พวกเราเพียรพยายามทำต่อนะให้มันเยอะๆนะทํามากๆทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะตายไปได้ก็ช่ำหัวมันบางทีถ้าบุญกุศลที่เราได้ทำมันก็จะ เป็นบารมีที่เราเอาไปทําต่อท่ามันยังไม่สิ้นภพจบชาตินะก็เอาไปทําต่อในในภพภูมิอื่นนะแต่บางคนก็อา จ, จะเป็นเหมือนอาจารย์พุทธท่านก็ได้นะบางทีตอนปฏิบัติแบบนี้ก็ยังไม่เข้าใจอะไรมากนะแต่พอถึงคราวใกล้เสีตายถึงขา ว, าขาวป่วยหนักนะมันไปนค้ายเหมือ น, นคล้ายๆเหมือนงานนะบางทีตอนตอนงานยังไม่เร่งเนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆนะพองานเร่งก็รี รีทํามันจบน่ะก็าจะเจ็บตอนนั้นก็ได้นะนะแต่มันก็ต้องเกิดจากการที่เราต้องเข้าใจหลักการแล้วก็ต้องทําเป็นบ้านแเหมือนอะหลายคนพอเจ็บป่วยนนหนักจะไปเล่งทําทํายากเพราะว่าทุกขเวทนาก็หนักหรือความรี่บร้อยความเร่งรีบมันก็ทําให้เราโดนรานอันนั้นก็เป็นห่วงนี่ก็เป็นห่วงนั่นก็ห่วงห่วงที่ไม่เคยแก้ทันทีเนี่ยมันก็ทําให้จิใจไม่สงบนะ แต่ถ้าเราฝึกตัาแแต่กันนี้มันก็ค่อยๆลดหัวไปเรื่อยๆพอถึงครางนั้นก็อาจจะ เ, เรี่ด้วยท่นหน่อยก็ได้อาจจะทำให้ตบกระได้คอยกรโจนกระโจนจากกระโจนจากความทุกข์นันไปถึงปากพันธุผ่านได้